เมื่อสักถอยหลังไปสักยี่สิบสามสิบปีลงไปนี่วัดในกรุงเทพนี่จะมีเด็กวัดเยอะ <Yeah. S 1> ก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนั่นแหละมาอยู่วัดอาศัายวัดเป็นที่หลับที่นอนแล้วก็เป็นกินข้าววัดไปด้วยแล้วก็ตอนเช้าหรือสายๆก็ไปเรียนถ้าเป็นนักศึกษาก็ไปสา ย, สาย คนใหญ่คนโตหลายคนก็เป็นเด็กวัดอย่างนายุชวลกภายนี่ก็เด็กวัดเหมือนกันมาจากตรังแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเด็กวัดแล้วเพราะว่าคนหนุ่มสาวก็อยากไปอยู่หอพักกันแล้วก็วัดเดี๋ยวนี้ก็แออัดแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยเอื้อเฟื้อกับพวกเด็กๆ เ, เท่าไหร่ส่วน วัยรุ่นก็อยากจะอยู่หอพักมากกว่าเพราะมันอิสระนะฟังเพลงหรือว่าบางทีก็กินเหล้ากันนะก็สะดวกเมือ่อสักสี่สิปีก่อนมีเด็กวัดคนหนึ่งนะแกก็มาเรียนนะในกรุงเทพพ่อแม่ก็ยากจนเป็นชาวนาแกนะ ก็มาเรียนมหาวิทยาลัยเข้าใจว่าเป็นธรรมศาสตร์มาอยู่ที่วัดสุดทัตต์วัดสุดทธากับธรรมศาสตร์ก็ห่างกันแค่สองกิโลแกก็ไม่ค่อยมีเงินนะมีช่วงหนึ่งนี่พ่อแม่คงไม่ได้ส่งเงินมามั้งแล้วก็มาเป็นช่วงที่ต้องเปิดเทอมก็ไม่มีค่าเล่าเรียนค่า อ, อาหารการกินยังพอไหวนะเพราะว่าอาศัยเข้าวัด แต่ว่าข้าวเราเลียนนี่ไม่มีไม่พอทำอยังไงก็มีเพื่อนแนะนำว่าจับนกพิราบเลยเพราะว่าวัสุท่านเนี่ยมีนกพิราบเยอะตรงแถวสาวชิงชานะนกพิราบมีเป็นร้อยเลยจับนกพิราบมาแล้วจับง่ายด้วยเพราะมันเชื่องจับเสร็จก็ไปขายตัวละยี่สิบยี่สิบห้าบาทนะ ก็จับมาสักสิบตัวนี่ก็สองร้อยห้าสิบแล้วจับงี้สักวันสองวันก็ได้เงินพอไปเป็นค่าเราเรียนแกก็ทำยังไงได้เพราะว่าไม่มีหนทางแล้วดีกว่าขโมยก็เลยไปจับนุพิราบมาจับมาได้เป็นสิบตัวแล้วมั้งมันเชื่องอะ่ะ นกพิลางก็ยังไม่จับก็มาขังไว้ไม่ใช่ขังมาใส่ไว้ในกระสอบนะก็กะว่าใส่ไว้ในกระสอบสักคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เช้าก็ขนไปทั้งหมดนี้ต้องทำเป็นความลับนะเพราะว่าถ้าเกิดพระรู้นี่เป็นเรื่องแน่เลย พอวักพรวันนี้เป็นแค่พ ย, ยธานีแกก็ก็รอว่าเนี่ยข้ามวันรุ่งขึ้นก็จะเอานกไปขายปรากฏว่าพระตื่นขึ้นมากระสอบไม่เหลือนกแล้วนกหายไปแต่มีเงินห้าร้อยบาทอยู่ในกระสอบแกก็แปลกใจว้ททำไมใครเอาเงินมาให้แก แต่ว่าก็ไม่มีไม่กล้าไปสอบถามนะเพราะว่าก็รู้ว่ามันเป็นความผิดนะได้เงินห้าร้อบาทก็รีบไปเลยเมาเฉลยห้าร้อยบาทนี่สมัยก่อนนี่มันก็เยอะนะเพราะว่าอาตมาเรียนธรรมศาสตร์เมื่อสามสิบปีก่อนก็ห้าร้อยบาทนี่ก็ยังเหลือเลยค่าหน่วยกิจหน่วยกิจละยี่สิบบาทนะอาตมาเรียนไม่เยอะอยู่แล้วไม่ใช่ขยันเรียนสิบห้าหน่วยกิจก็ไม่เท่าไหรนะ่ ไม่ถึงห้าร้อยแกก็เลยเรียกว่ารอดรอดไปได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแกก็ถึงแม้จะขาดเงินอยู่บ้างแต่ก็ยังพอหาเงินมาได้ก็ไปทำงานก็เลยเป็นว่าในสุดก็เรียนจบเรียนจบก็ไปรับราชการแกจบรัชศาสตร์ก็ไปรับราชการก็เรียกว่าเจริญก้าวหน้าต่อลำดับจนกระทั่งกลายเป็นผู้ว่า เมื่อเป็นผู้ว่าแล้วแกก็ยังแกยังนึกถึงบุญคุณของวัดสุทธัศน์ของหลวงพ่อนะแต่ก็ก็มีสิ่งที่ค้างคาใจอยู่ก็คือว่าใครนาะที่เอาเงินมาให้แกถ้าไม่มีเงินในวันนั้นนี่แกคงจะทำบาปอีกมากนะก็วันหนึ่งก็กลับไปที่วัดสุทธัศน์แล้วก็ไปกราบ พระซึ่งเคยรู้จักกันแล้วก็เจอหลวงพ่อรูปหนึ่งแกก็ปาลบว่าเนี่ยเนี่ยที่แกได้มาเป็นใหญ่เป็นโตได้นี่ก็เพราะว่าได้รับความช่วยเหลือจากพระแต่ว่ามียหนึ่งที่แกสงสัยก็คือว่าแกก็เล่าว่าเนี่ยก็ยอมสารภาพว่าเนี่ยตอนเด็กเนี่ยก็เคยคิดจับไม่ใช่คิดนะ่ะลงมือจับนกมาแล้วแต่ว่า มีคนที่ปรารถนาดีแต่ไม่เอ่ยชื่อนะปรารถนาดีแต่ไม่ประสองค์ออกนามนี่เอาเงินมาให้ก็ทำให้ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ทำความชั่วบอกก็ว่าหลวงพ่อองค์นั้นแหละนะที่พูดว่าเล่าให้ฟังเนี่ยแกบอกว่าก็ก็ฆ่าเองแหละนะไม่ให้ฆ่าก็ชันเองแหละนะไม่เห็นชันเองแก ฉันเห็นแกเป็นเด็กดีไม่อยากให้ทำความชั่วก็เลยปล่อยนกไปแล้วก็เอาเงินให้ผู้วานี่ก็ขอบอกเรียกขอบคุณกราบหลวงพ่อใหญเ่เรื่องนี้มันสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าทำไมหลวงพ่อแทนที่ทำไมถึงไม่เอาเงินไปใหเ้เด็กคนนั้นด้วยตัวเองทำไมถึงเอาเงินเนี่ยแอบซ่อนไว้ใน แอบใส่ไว้ในในถุงในกระสอบอันนี้ก็น่าคิดนะก็กเป็นเพราะหลวงพ่อเขารู้ว่าถ้าเอาเงินไปให้เด็กคนนั้นโดยตรงเนี่ยเด็กคนนั้นคงจะละอายใจว่ามีคนรู้ว่าตัวเองทําผิดมีพระรู้ว่าตัวเองเนี่ยจับนกไปขายก็คงจะรู้สึกละอายแล้วก็คงจะรู้สึกว่าสู้หน้าคนไม่ได้ คนเราถ้าเกิดทำความชั่วแล้วมีคนรู้นี่มันก็เสียอายมากนะอาจจะถึงกับหนีวัดไปเลยเพราะว่าไม่กล้าสู้หน้าคนหลวงพ่อท่านก็คงฉลาดนะั้นแล้วก็เข้าใจความรู้สึกของคนหนุ่มก็ไม่อยากเปิดเผยตัวให้เขารู้ให้ให้เขารู้ว่าท่านรู้แล้วว่าแกกำลังทำชั่วนะ ก็เพียงแต่ว่าปล่อยนกไปโดยที่ไม่ให้ใครรู้แล้วก็เอาเงินใส่เอาไว้อีกประการหนึ่งก็คือว่านอกจากจะจะนึกถึงความรู้สึกของหนุ่มคนนั้นแล้วเนี่ยแกหลวงพ่อท่านคงจะคิดว่าท่านคงไม่อยากจะเปิดเผยตัวคือคนเราเนี่ยเวลาทำความดีเนี่ยบางทีมักจะอยากจะแสดงตัว เดี๋ยนี้เป็นกันมากนะเวลาทําความดีสักอย่างนึงก็อยากจะให้ใครรู้ว่าฉันทําความดีอย่างเช่นช่วยเด็กคนนี้ก็อยากจะให้เขารู้ว่าเนี่ยฉันช่วยเธอนะอันนี้มันก็เป็นอัตราแบบหนึ่งนะเป็นมานะ <c oughs> ในการทําความดีโดยที่ไม่บอกใครแล้วก็ไม่ให้ใครรู้นี่มันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเป็นการลดอัตราลดมานะเพราะธรรมชาติของมานะเนี่ยมันก็อยากจะให้ คนรู้ว่าฉันเป็นคนดีฉันมีน้ำใจเดี๋ยวนี้เราเห็นนะเวลาใครทำความดีเดี๋ยวนี้ก็อดไม่ได้ที่อยากจะแสดงตัวที่ดูง่ายๆคือว่าเวลาทำบุญเนี่ยก็อยากจะให้ใครคนหนึ่งเ็ารู้ว่าฉันทำบุญนะเดี๋ยวนี้ก็เลยเกิดวัฒนธรรมประเพณีว่าต้องลงชื่อคนทำบุญ ตามวัดวาอารามเดี๋ยวนี้ก็มีชื่อคนทําบุญเยอะไปหมดเลยตรงซุ้มประตูบ้างตรงหน้าต่างบ้างนะจานชามก็ยังมีชื่อคนบริจาคนะซึ่งสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีนะสมัยก่อนแม้กระทั่งถวายพระถวธรูปนี่ก็ไม่มีชื่อตัวเองเพราะว่าถือว่ามันไม่ค่อยงามเอาชื่อตัวเองไปสลักไว้ใต้ฐานพระให้คนกราบไหว้เขาถือว่ามันไม่ดีเขาก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใส่ แต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นมีชื่อคนติดไปทั่วหมดเลยคนบริจาคคนทำบุญอันนี้เพราะอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าอยากจะให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยทำบุญาการทำความดีแบบนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะก็คือว่าเป็นการให้ทานแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติธรรมที่ขัดเกลาจิตใจตัวเองมากเท่าไหร่เพราะว่ายังอยากจะให้คนรู้ว่าฉันทาบุญนะ ทำความดีก็อยากประกาศให้คนทั้งโลกรู้แต่หลวงพ่อท่านนี้นี่ท่านท่านไม่ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอยากจะช่วยเด็กก็ช่วยไปเลยนะไม่ได้อยากจะให้เด็กมารู้ว่าท่านช่วยเพราะว่าไม่อยากเอาคงจะไม่ส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจะให้เป็นนี่บุญคุณกับกันด้วยนะช่วยแบบเป็นบุคคลนิรนาม หลวงพ่อท่านนี้ก็ถือว่าท่านเรียกว่าทั้งฉลาดแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากการช่วยของท่านนี้ไม่ทําให้ผู้รับความช่วยเหลือ ร, รู้สึกอับอายขายหน้าแล้วก็ส่วนตัวท่านเองท่านก็ถือว่าไม่ได้ปรารถนาจะให้ใครมามาขอบอกขอบใจหรือมารับรู้นะท่าทางกายเ่านก็ยังเป็นผ้าแก่ๆนะถ้าหากว่าผู้ว่านี้ไม่มาถาม ท่คงไม่บอกที่ท่านบอกเพราะเห็นว่าเหตุการณ์ก็ผ่านไปนานแล้วเด็กก็คงผู้ว่าคงไม่รู้สึกะอายใจแล้วแะเพราะว่ากล้าเปิดเผยกับพระว่าเคยจับนกจะไปขายแล้วก็ก็เป็นป็นสนาที่ค้างคาใจก็บอกให้เขารู้ซะเลยนะท่าน่าก็ไม่ได้หวังจะให้เขามารู้สึกบุญคุณอะไรกับเราคนเราเวลาทาความดีช่วยเหลือใครนี่ก็ นึกตรงนี้บ้างก็ดีนะก็คือนึกถึงใจของคนที่เราช่วยรู้ว่าจะช่วยยังไงถึงจะเกิดผลผลดีแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงการเข้าใจความรู้สึกหรือว่าจิตใจความนึกคิดของคนช่วยนี่ อ, องคงคนที่ตัวเงช่วยนี่สําคัญนะเพราะว่าการช่วยจะได้ผลหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้ด้วยมีเรื่องเล่าว่วาวันหนึ่งนัสลดินเนี่ยเดินไปก็เห็นคนกาลัง ส่งเสียงเออะอะไรกันเดินเข้าไปใกลๆก้ๆปรากฏว่ามีคนตกน้ําอยู่ในสระอยู่ในแม่น้ําอ่ะนะคนที่อยู่ริมฝั่งเนี่ยก็บอกก็ยื่นมือนะเพื่อให้คนนั้นเนี่ยซึ่งว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยนะมาจับแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะบอกให้คนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นพ่อค้านะเป็นพ่อค้าที่มีเงินด้วยนะ ไม่ว่าจะบอกให้เขายื่นมือมาอย่างไรเขาก็ไม่ยอมยื่นมือยื่นมือมาสื่อยื่นมือมาสื่อไอคนที่จมน้ําอยู่เนี่ยจะตายอยู่แล้วยังไม่ยอมยื่นมือมาเลยนัสโสรเดนมองปุ๊บก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเข้าใจนัสโสรเินก็เลยทําตัวเป็นพลเมืองดีเลยนะไปเดินไปที่ขอบสะแล้วก็บอกกับคนที่กําลังจมน้ําว่าคว้ามือชั้นสี่คว้ามือชั้นสี่ เจ้าหมอนั่นคว้าทันทีเลยก็เลยรอดตายคนก็แปลกใจว่าทําไมนัสรุดินมาช่วยเข้าถึงยอมคว้ามือนัสรุดินแต่ทําไมคนอื่นช่วยก็ถึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือนัสรุดินก็อธิบายว่าก้อยหมอนี่เนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ได้มันไม่เคยให้ใครเลยมันมีแต่จะเอาอย่างเดียวไปบอกให้มันยื่นมือมายื่นมือมามันก็ไม่ยื่นหรอกต้องบอกให้มันควา้าเถอะเพราะมันควา้ามาตอลอดชีวิตแล้ว มันคิดแต่จะคว้าอย่างเดียวนะก็เลยยื่นมือบอกว่าไอ้คว้าสิคว้าสิคว้ามือชั้นสิมันก็ไปตรงกับดีไซน์ ส, สันดานของเจ้าหมอนี่พอดีนะมันคว้าอย่างเดียวเลยไม่เคยยื่นอะไรให้ชอบคว้ามันก็เลยคว้ามือนัสรุดินคนเราบางคนจะตายอยู่แล้วนะี่ก็ยังยังงกนะยังไม่ยอมยื่นมือหรือว่ายื่นอะไรให้ใครคิดแต่จะคว้าอย่างเดียวอันนี้นัสรุดินก็รู้ ร, รู้รู้จิตใจของคนที่ตัวเองกำลังช่วยนะว่า พูดอย่างไรเขาถึงจะรับความช่วยเหลือหรือพูดอย่างไรถึงจะช่วยเขาได้นะให้เวลาช่วยใครนี่ก็ต้องก็ต้องดูนะว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรนะแล้วก็โดยเพราะช่วยแล้วเนี่ยไม่ทําให้เขารู้สึกอับอายขายหน้าหรือรู้สึกแย่นะีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ช่วยแล้วก็อย่าลืมลองฝึกใจว่าไม่เปิดเผยตัวเองบ้าง ไม่ประกาศให้โลกรู้บ้างอันนี้มันฝึกมันทรมานอัตตาได้ดีมากเลยเพราะว่าอัตตามันอยากจะประกาศโลกทั้งโลกให้รู้ว่าฉันช่วยฉันเป็นคนดีโว้ ย, เ, ยเราก็ต้องลองฝืนอัตตาดูบ้างเอาก็รับพร